y a w a n y y a w สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการเรื่องข่าวทุกข่าวลัคน์ทาง 89.5 FM นะครับสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีขากลับมาพบกับท่าผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในคืนวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆอย่างนี้เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งะครับกลับมาพบกับผมโชวลิตอุณทัศนแล้วก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษครับคุณเพชรหรือว่าคุณแนะนําตัวเลยครับพี่ชามนลชัยดรุณนะคะเป็น ปัจจุบันก็เป็นนักเขียนแล้วก็บรณาธิการอิสระนะคะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยที่รู้จักคุณตุ้ยนะคะคือเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนที่กองบรรณาธิการนิทยาาสทารสกุลไทยใช่ค่ ะ, คคะกับกลืนมาอย่างนี้ก็คงจะพอทราบแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไร คืนนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของนิตยสารสกุลไทยไนิตยสารที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาถึง62ปีนะฮะเป็นนิตยสารแบบใหม่มากครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยผมเคยเ ى, ทํางานที่นิตยสารสกุลไทยนะครับเป็นทางช่างภาพแล้วกความบรรณาธิการก็ที่นี่ก็ได้ให้อะไรหลายๆลาอย่างทั้งประสบการณ์แล้วก็ความสึกดีๆแล้วก็ความรู้ความสามารถส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากที่นี่เต็มๆเลยนะฮะแล้วก็คุณเพชรเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่เอ ช่วง 4-5 หปีที่ผมทางานเนี่ยก็คือเราเจอกันทุกวันนะฮะเจอกันจนทะ <c oughs> เ ล, ลบตบตี <c oughs> ใช่ต้องเล่าก่อนว่าในกอ ง, องกองของสกุลไทยเรามีกันอยู่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่คนเนาะ <c oughs> ตอนนั้น <c oughs> จริงๆก็ประมาณช่างภาพเราก็จะมีประมาณ3คนนะคะย <c oughs> นพื้นแล้วก็ส่วนของกองบรณาธิการก็5้าคนนะคะครับเอ่อแล้วก็ไม่อันนี้ไม่รวมท่านบรรณาธิการบริหารนะคะแล้วก็ บันทิการผู้ช่วยคะก็ทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ10คนเนาะต้นะก็เรียกว่าเป็นการทำงานที่อบอุ่นนะในกองเนี่ยต้องเล่าถึงบรรยากาศว่าเป็นทั้งบ้านของของผู้ก่อตั้งด้วยนะก็คือคุณประยูนค่รงเสริมสวัสดิ์คุณสันติคุณวรพรสงเสริมสวัสดิ์นะคะก็เป็นออฟฟิศแบบโฮมออฟฟิศที่มีโรงพิมพ์อยู่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็จะแบบ มันมีความมีความเป็นบ้านอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลกับการทำงานของเราเราก็อยู่กันเป็นบ้านนิดนึงอะไรเงี้ยในในพื้นที่ก็น่าจะไหลไล่เหมือนกันเนาะพื้นที่ตรงนั้น่ะก็ส่วนหนึ่งอ่ะเป็นบ้านของของคุณคุณประยูนนะแล้วก็ตึกตรงกลางก็จะเป็นออฟฟิศค่ะเป็นออฟฟิศแล้วก็กองมรนาธิการของ นิตยสารสกุลไทยนิตยสารหญิงไทยแล้วก็สำนักพิมพ์เพื่อนดีนะคะซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเลยค่ะในด้านหลังของตัวอาคารก็จะเป็นโรงพิมพ์ใช่โรงพิมพ์แบบมีความคลาสสิกมากหรือใหญ่มากนะคะซึ่งก็ก็เป็นอะไรที่เออเราก็รู้สึกแฮปปี้นะคะทํางานที่นั่นนะคะด้านหน้าเขมีสนามหญ้ามีต้นมุงต้นไม้ต้นมะม่วงนะฮะโอ้โหนี้แบบแก่คุยกันแก่มากเลยล่ะด้ความหลังต้องบอกว่าออฟิศสกุลไทยเนี่ยเป็น ออฟฟิศที่เหมือนน่าจะไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะฮะในในปัจจุบันนะฮะก็อาจจะเป็นแบบเออเราก็ไม่เราก็เคยผ่านงานที่อื่นมา<ช>แนะคะก็จริงๆแต่ละที่ก็มีมีข้อดีต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสกุลไทยก็จะเป็นบรรยากาศออฟฟิศ <c oughs> ที่ค่อนข้างความอบอุน่น ม, มีมีความแบบ เ อ, อออาทรฉันพี่น้องนะคะ<ช>แล้วก็ทำงานก็ตบตีกันเบาๆพอประมาณพอประมาณพอประมาณแบบว่างานก็ต้องทำ ใ, <ช>ให้สำเร็จใช่ไหมคะไม่ตบตีกันก็ไม่ได<ช>้<ช>อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่านิติสารสกุลไทยนะครับเป็นนิสิสารรายสัปดาห์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมีเวลาทํางานกันค่อนข้างกระชั้นชิดนะฮะใช่ค่ะก็คือถ้าจริงจริแล้วพูดถึงว่าการทํางานสื่อถ้าลองจากหนังสือพิมพ์ซึ่งแบบวันรายวันเนี่ยก็ลองลงมาก็ต้องเป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็มีความหนักหน่วงพอสมควรคือจริงๆแล้วมันคือมีความต่างนะรายวันก็เราก็อาจจะก็เคย เดินเคยทํางานหนังสือพิมพ์รายวันมาก่อนมันก็อาจะไม่ได้ไปพิถีพิถันเนาะในเรื่องของภาษาหรือความประณีตมากใช้ความเร็วนะคะใช้การสื่อสารอย่างรวดเร็วแต่แมกกาซีนเนี่ยจะต้องมีความประนี t นิดนึงแล้วก็เราต้องทํางานภายใต้ความกดดันคือต้องต้องดีต้องประนีตและเร็วนะคะอย่างคู่กันาว่า ต้องเรียนับตรงว่าอย่างหนังสืุุนไทยเนี่ยเป็นหนังสือต้นแบบของสถานศึกษาหลายๆแห่งด้วยนะฮะรวมถึงห้องสมุดก็ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดเลยเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้บ้างไม่ได้ไม่ใช่เกิดไม่ได้แต่ว่ามันก็มีเกิดขึ้นบ้างตามแบบเพราะว่ามันก็เป็น human error แบบมนุษย์ทำอ๋ไม่ใช่เครื่องจักรบางทีมันก็มี หลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้ำปกน้ำปกมีนู่นนี่ติดกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าคุณผู้อ่านของสกุลไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ช่างสังเกตมากๆากนะจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งผมเขียนชื่อของนางสาวไทยคนหนึ่งเนี่ยจากตดอชดาเป็นตบตักโอ้โหโดนกระหน่ำโอ้โหแค่ตบัตตักหยักนิดเดียวหยัเดียวใช่ฮะทั้งจดหมายทั้งโทรศัพท์กระหน่าแบบ ตีนะฮะติติเสียเซลไปเลยใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเมื่ต้นมาคือแบบระแวงเลยก่อนที่ตีพิมพ์เนี่ยโอ้โหต้องดูละเอียดมากๆกก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราเรามัดระวังมากขึ้นเนาะรวมไปถึงตัวบรรณาธิการเองด้วยนะตอนนั้นเป็นคุณต้าใช่ค่ะคุณสุภัสวัสอดีรักนะคะท่านเป็นบรรณาธิการอาวุโสซึ่งก็ถือว่าแบบคือกลุ่มบางเหียน ดูแลสกุลไทยมายาวนานกับหลายสายสิปีนะคะค่ะคเอาละครับวันนี้เราจะมาย้อนประวัติสกุลไทยกันสักนิดนึ่งจริงๆคุณเพชรเนี่ยอยู่สกุลไทยมาขอดผมทำงานทั้งหมดกี่ปีนะฮะยี่สิบปีพอดีค่ะจนกระทั่งสกุลไทยยี่ปีเลยเหรอก็คือจริงๆเออเดี๋ยวนะประมาณเพราะว่าปี62ใช่ไหมคะก็มาสกุลไทยเดี๋ยวนีปี39อืม ประมันยี่ิบกว่าปีเนาะเออใช่ยี่สิปียี่สิบกว่าปีออืืมแต่ว่าต้องบอกว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งของของของชาวสกุลไทยคือถ้าเข้ามาแล้วอะอยู่กันยาวอยู่กันจนเกษียณเนาะส่วนใหญ่เข้ายากออกยากใช่ใช่เข้ายากออกยากแต่ว่าอออืเคนที่อยู่เนี่ยก็อยู่กันแบบเรียกได้ว่าจนกระทั่งแบบถึงถึงใช่ค่ะเราก็มีจริงๆเรามีเอ พนักงานที่หูอยู่ตั้งแต่ใ น, ใ น, ในเล่มนี้เล่มนี้จะมีนะคะเล่มที่เป็นฉบับสุดท้ายของสกุลไทยเนี่ยก็จะมีบันทึไกไว้ว่าเรามีพนักงานที่อยู่มาโหตั้งแต่เป็นพนักงานเรียงพิมพ์ชื่ อ, อพี่การนะคะพี่สการออขออนุญาตพูดถึงนะคะก็ ตั้งแต่โอ้เดี๋ยวต้องเปิดจำไม่ได้แล้วพี่เขาอยู่มาแต่ช่วงไหนแต่ว่าตั้งแต่เป็นเลี้ยงพิมพ์ตะกลัวซึ่งเออเรานึกไม่ถึงอ่ะว่าพอสมัยนี้มันเป็นแบบยุคที่เราใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์แล้วใช่ไหมคะมันเร็วมากเลียงตะกลัวแบบทีละตัวทีละตัวนะคะก็เราลาวทักกุนไทยหดสองพี่การก็น่าจะแบบสี่กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยหลังนั้นก็ลดลดหลั่นกันลงมานะคะมีคนที่ทํางานก็เรียกว่าด้วยด้วยใจรักนะเนาะ ทำงานแบบขอโทษนะคะเป็นการทำงานแบบแบบคือรักหนังสือจริงๆอ่ะประมาณนั้นนะคะอยากให้คุณเพชรย้อนประวัติของนิตยสารสกุลไทยให้คุณฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งัสกุลไทยนะคะถ้าเราพูดถึงเด็กคนยุคสมัยเราสมัยเรากับตุ้ยเนี่ยสี่สิบกว่าเนี่ยก็คงเคยเห็นว่าไซส์โอไซส์มันแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะไซส์จะแบบ ประมาณอู๋นี่อันนี้คือรุ่นอันนี้นะคะเออก่อนอื่นต้องบอกว่าไซส์ของสกุลไทยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเดิมทีใหญ่ใหญ่กว่านี้นิดนึงใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะเล่มแรกเลยเนี่ยก็คือวางตลาดเมื่อปีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ24งพนะคะพวกเราก็ยังเป็นวุ่นุเป็นเยลลี่ยูนิชชั่ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ 62ปี62อไม่มันก็ต้องมากกว่าเพราะตอนที่สกุลไทยปีนี้คือยู่62อนะคะตอนนี้มปนปี63 62สาแล้วอืมก็คือแบบยากจะจินตนาการเลยว่าโอ้คนสมัยนั้นเขา อนอะไรยังไงนะแต่ว่านังสือเนี่ยนะคะก็นิตยสารในเวลานั้นเนี่ยเป็นยุคที่เฟื่องฟูนะคะในเมื่อเมื่อปี2497เจนี่ยจริงๆแล้วก็การวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยเนี่ยเริ่มมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่เอาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่สมัยหมอแบลตเลู่อนื้ออกแหมหมอบลตเลเนี่คือแบบสมัยรัชกาลที่3าซึ่งซึ่งแต่จริงๆอันนั้นเคยเคยคุณเคยได้ยินไหมบางกอกเรคคอร์เดอร์เคยได้ยิน ก็เราก็จะท่องกันมาตลอดว่าเนี่ยคือแบบนิตยสารไทยเล่มแรกซึ่งหมอบรัดเล่เนี่ยก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะให้ทําหนังสือได้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทําหนังสือนิตยสารขึ้นมานันเป็นจุดเริ่มต้นของนิตยสารในสังคมไทยแล้วคิดดูว่าจากรัชกาลที่3มาจนถึงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ ตรงนั้นเนี่ยวัฒนธรรมการอ่านมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงว่ากําเนิดสกุลไทยขึ้นมาซึ่งเวลานั้นนะะก็มีช่วงที่เราแบบสังคมไทยเองก็ปรับตัวเพราะว่าผู้หญิงนะะอ่านหนังสือได้อ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะะแล้วก็เป็นยุคที่แบบวัฒนธรรมการอ่านมันขยายตัวคนอ่านก็ต้องการแบบเสพอะคะอ่ะสิ่งที่ที่ตัวเองสนใจมันก็มีหนังสือผู้ชายเนาะมีบางกอรอกผู้หญิงก็จะมีแบบ ก่อนก็จะมีเดลิเมวันจันจนกระทั่งคุณประยุนสงสมสวัสดิ์เนี่ยนะคะกับในกลุ่มครอบครัวของท่านน่นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพ้พพองน้องพี่ในวงการซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็คือท่านทำหนังสือพระอยู่ที่แถบเสาชิงช้านะคะซึ่งเวลานั้นมันเป็นย่านเก่าที่ที่ทำหนังสือพระเป็นส่วนใหญ่ก็ได้เริ่มอมองเห็นนะคะว่าตลาดหนังสือของผู้หญิงเนี่ยมันเริ่มขยายตัว นะคะก็ได้คิดว่าเออจะเริ่มทําหนังสือชื่อว่าสกุลไทยขึ้นมานะคะๆๆซึ่งจริงแต่สกุลไทยเนี่ยจริงๆแล้วชื่อสกุลไทยเนี่ยได้ได้เป็นชื่อหนังสือมาก่อนนะคะโดยคุณละมุนอติพยักษซึ่งได้เริ่มทําหนังสือสกุลไทยมาก่อนอหน้านี้แต่ว่าก็ปิดไปตอนหลังก็เลยเอาเหมือนมาปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ได้เอามาเริ่มทำแบบเปิดตัวสกุลไทยจรงจิงๆจังๆเป็นหนังสือสําหรับผู้หญิงเน้นนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะโดยแบบไซส์หนังสือเล่มแรกเนี่ย ก็คือประมาณก๊อปปี้ไซส์มาจากหนังสือ w o m e n Weekly w o m e n Weekly ของออสเตรเลียนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเออสมัยนั้นน่ะหนังสือแบบแม g กกาซีนจากต่างประเทศเนี่ยหัวนอกอะค่ะก็อาจจะมีอิทธิพลต่อแม็กกาซีนไทยแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันแพงอะแล้วคนไทยก็อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญแต่ชาญภาษาอังกฤษมากพอที่จะอ่านได้นะคะก็ก็เลยมีกัน เออมาทำแบบของไทยสิโดยใช้ไซส์แบบประมาณเท่านี้แล้วก็เนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาปรับให้เข้ากับสังคมไทยซึ่งถามว่าเวลานั้นนะคนอ่านแบบผู้หญิงไทยคุณตู้คิดว่าเขาอยากอ่านอะไรในยุคที่ สังคมก็ยังไม่ได้เปิดกว้างมากนักนะคะผู้หญิงไทยก็อาจจะประมาณว่ามีความรู้อาจจะบางท่านก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ก็ไม่มากนักแต่ว่ามีความรู้ในระดับอาจจะเขาเรียกอะไรมมสองห้มสองห้ใช่มสองห้ามสองหาอะไรเนี้ยเนาะมแปอะไรมสออะไรประมาณเนี้ยก็มีความรู้ที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วต้องการที่จะแบบพัฒนาตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้น หนังสือที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือมันจะต้องคืผู้หญิงต้องรู้เรื่องการแต่งกายเข้าสังคมเป็นใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็งานบ้านงานเรือนต้องได้อันนี้สะท้อนแบบความเป็นผู้ผหญิงไทย ใ, ในหลายๆมิติเลยแล้วก็อีกอย่างหนึงคือเรื่องความรู้ทักษะชีวิตอะไรต่างๆก็ต้อ ง, ต, องต้องมี mm hmm. ต้องรู้ในในแม่แ ง, ง่มุมที่ลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเกาะเป็นบบาเกิดของแบบ งานวรรณกรรมในหนังสือสกุลไทยเพราะฉะนั้นสกุลไทยก็จะมีแบบแนวทางที่ชัดเจน2แนวทางก็คือการทําหนังสือเพื่อแบบตอบสนอง<ม>ความต้องการของผู้หญิง ใ, ในหลายๆรูปแบบเช่นแต่งกายสังคมอะไรต่างๆนะคะการเข้าสังคมอีกด้านหนึ่งก็คือความรู้<ม>ซึ่งอันนี้ก็จะผ่านแบบงานวรรณกรรมนวนิยายต่างๆ<ม>ที่แบบอาจจะช่วยเหมือนกับว่ากล่อมเก่า ให้มีความรู้ในด้านอื่นๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของสกุลไทยจริงๆที่แฟนๆให้ความนิยมก็คือเรื่องราวของนวนิยายเพราะถือว่าเป็นเป็นจุดหลักเลยเหมือนกันจุดแข็งของหนัสือเลยแหละเพราะว่าสกุลไทยเนี่ยรวบรวมไว้ทั้งนักเขียนที่มีชื่อในยุคนั้นๆแล้วก็ยังมีการสร้างสรรค์ แ้เขียนหน้าใหม่ๆมาประดับวงการอีกตลอดเวลาเลยใก็ในยุคนั้นถ้าถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยรู้จักไหมคะกอสุรังคนาบุษมานสมังวงที่ท่านที่เขียนเรื่องบ้านไททองบุษมานสังวงเจ่ดว่าที่ลงในสกุลไทยก็จะมีเรื่องแบบรักประกาศสิทธ รักประกาศสิทนี่เคยแบบดีลังเป็นหนังเป็นละครเวอร์ชันแรกเออเป็นหนังหนังใครเล่นพีศารโนราห์พอเจดกันทีิติมาสังค้พิทักษ์ใช่ใช่รักประกาศสิทธิ์ของบริษัทคอนเทนว่าโปรดักชันใช่ไหมโอเคพอเอินว่าเกิดไม่ทันเออย่ารุ่นเดียวกันก็มาทันตอนเพี่นกฉัดชัยเล่นละครกับมิวลลิตาคุณลิตาปัญโยพาสไม่ทันหรอ ไม่ได้ดูแต่ว่าพี่นกเล่นเป็นไม่ได้ดูเวอร์ชันนี้รักประกาศสิทธิ์ภูชิตนาริระรู้จชกมีแอปด้วยนะแอปแอปมาเล่นกับคุณปอเมื่อเมื่อไทยเมื่อเมื่อกีปีแล้วมั้งแต่แต่เวอร์ชัน พิจิตรโนรัตเนี่ยได้รับความนิยมมากใช่ไหมคะคือพระเอกก็จะแบบแนวคือเป็นหนุ่มชาวไล่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นภาคต่อกันนะนักประการเสร็จแล้วก็ผู้ชิ้นนิยสนาเขาได้รับความนิยมทั้งสองสองเรื่องเลยใช่อันนี้ค่ะก็ลงลงในสกุลไทยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เช่นเมียหลวงจากแม่มหลวงหลายเวอร์ชั่นหลายเวอร์ชั่นมากครับเมียหลวงมีต้องแบบว่าเกมทดสอบความทรงจํา โอร์ชันภาพยนตร์โวอชันแรกๆที่ได้ดูก็คือเป็นคุณวงเรียนอินทราวุฒกับคุณจตุพลปุ๋ยพิรโมแล้วก็คุณวิาดาเป็นของไฟสตาร์สร้างซึ่งดังมากแล้วก็นางเอกกเหมาะเหมาะที่จะมีมีหลงคือใครนะตอนนั้น่ะคุณด็อเตอร์ตอนนี้ด็รวิกันดาใช่ไหมใช่ด็อเตอร์วิกันดาก็คือคุณ มงเดือนพอมงเดือนพอมงเดือนยนตลารักนั่นเองอใช่ใช่เนื้อออกแล้วเนออกแล้วเหมาะตอนนั้นนาฏิกุลอินทราวุธใช่ไยังไม่ต่งงานอย่างคุณแม่ใช่ใช่แล้วก็เมียน้อยคือคุณคุณวิยาดาวมารินใช่คะโอ้คนเด็กมากเลยได้ดูใช่ไหมได้ดูเยแต่ว่าโอ้แบบซึ่งว่ากันว่าเมียหลวงเวอร์ชันเนี้ยดังมากเลยดังมากแล้วก็ ลงตัวที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะสร้างไปกี่เวอร์ชันก็ตามแต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้ยได้รับการการกันตีว่าใช่ที่สุดอใครกำกับมานะตอนนั้นอะใช่คุณรุ้ธนพปะไม่แน่ใจแต่จําได้เป็นของไฟสตาร์นะฮะเพราะยังเด็กมากแล้วก็สนุกมากจำได้ว่าดูที่ถนนเทเตอร์เมื่อก่อนออะันนี้จําความได้แต่กี่ครอปเนี่ยต้องได้เดนะคะก็เนี่ยค่ะมีหลวงก็ ลงในสกุลไทยแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสําหรับวงการวรรณกรรมเพราะว่าเวลานั้นคุณกฤษณะศกสินปเขียนเรื่องเมียหลวงนะคะก็มีคุณธรรมยันตีเขียนเรื่องเมียน้อยลงในเล่มเดียวกันใช่ก็คือว่าอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบเราะว่ามันมีแบบเป็นเป็นแพลตฟอร์มเป็นเวทีแบบประชันแล้ว่าเมียหลวงเมียน้อยในหน้านิตยสารสกุลไทย เมื่อนั้นน่ยนะคะแต่สนุกทั้งสงเรื่องเลยนะครใครที่ได้อ่านนี่ยัยและถ้าใครได้ดูทั้งละครหรือหนังเนี่ยก็จะติดงงเงี้ยมเลยก็คือจริงๆแล้วทำไมเราก็เคยถามตัวเองว่าทําไมแบบละครเรื่องเนี้เอิร์ธวันกรรมเรื่องเมีหลวงเนี่ยถึงได้อยู่ยงคงกระพันแล้วก็สร้างหลายรอบมากก็เป็นสิบๆเนาะใช่เพราะว่าคือพล็อตของชีวิตคู่มันเป็นพล็อตที่อมตะนิรันดร์มากไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ มันก็ยังคงเกิดเรื่องแบบนี้อยู่ผมว่าอีกเรื่องนี้ที่กําลังจะไล่ไล่เวอร์ชั่นจะเยอะมาไล่ไกับเมียหลวงก็น่าจะเป็นแม่เบี้ยนะครับที่กำลังจะสร้างอีกแล้วนะครับอีกแล้วครับเนื้อพี่ฮันนี่ใช่ันตอนฉบับใช่แล้วก็มีคุณคุณหญิงระถาที่เป็นละครเวทีมีคุณแสงระวีที่เป็นละครทีวีแล้วก็มีคุณอ้อมอ้อมที่เป็นนางเอกใหม่ที่เนี่ยเวอร์ชั่นของม่งน้อยใช่แล้วก็เนี่ยจะเป็นของเวอร์ชั่นที่คุณ A เอสุภาชัยสร้างให้กับช่องเจ็ดเลขะแล้วใครเล่นคะเอออันเนี้ยเขากําลังน่าจะรอสรุปกันอยู่ยังยังยังมันยังไม่ชัวรนะฮะนี่ค่ะก็จริงๆเนาะความพลอตที่เป็นเป็นเอกลักษณ์จริงๆก็แล้วถ้าใครถ้าใครได้อ่านวรรณกรรมเมีหลวงก็จะก็จะเข้าใจจริงจริงไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องของการแบบทะเลาะตบตีกันอย่างเดียวมันมีข้อคิดแทรกอยู่ เป็นข้อคิดในในเรื่องของชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่ที่จะประคับประคองอย่างไรนะคะประมาณนี้นอกจากนั้นก็มีเรื่องสภัายเจ้าของคุณรัชน่าเรื่องเลือดขัตติยาของธรรมยันตีนะคะอันนี้ยุคแรกๆนะคะรัตนโกสินทร์ของคุณววินิชกุลนะคะหนังทิพย์อะไรอย่างเงี้ยตนี้ก็คือมีการสร้างเป็นละครเป็นหมดแล้วโดยโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดถึงว่า ลนลวนิยายที่ลงในสกุลไทยในเวลานั้นก็ได้รับการนำมาสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์ทาให้เหมือนก็เป็นเป็นสนามอนะ่ะเป็นสนามนะที่แบบเออมีเรื่องเรื่องนี้มันสนุกเป็นดังมากในหนังสือก็ทำให้ผู้จัดผู้สร้างเนี่ยยิดยกนำมาสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์ตอ่อมาว่ากันว่าแค่ อ, อนักเขียน เขียนเรื่องแค่ตอนสงตอนแรกลงในสกุลไทยเนี่ยก็มีผู้จัดโทรมาติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นละครกันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจริงๆในยุคที่พวกเราทำงานในกรมนาธิการเนี่ยก็ก็ยังยังผมยังได้รับโทรศัพท์อยู่ว่าเออเรื่องนี้มีคนซื้อไปหรืยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น เปนอะไรไเป็ น, ปนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของบรรดา ผ, ผู้จั ด, จดและค่ายละครต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือสกุลไทยเนี่ยการันตีได้เลยว่าเรื่องอนิยายหรือว่าบทประพันธ์ที่ลงในนิเทศารเรื่อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ได้รับความนิยมแน่นอนเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการไปต่อยอดที่จะสร้างเป็นละครหรือว่าเป็นภาพยนตร์ น, นะครับใช่ค่ะเพราะว่ามีฐานแฟน คนอ่านคนดูอยู่แล้วจำนวนหนึ่งแล้วใช่่นะชคะคและนอกจากเรื่องราวของอนวนิยายที่เป็นไฮไลท์ของหนังสือแล้วเนียคอลัมน์ต่างๆเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์กับสมาชิกในครอบครัวจนครบถ้วนเลยนะใช่ ค, ค่ะก็คื อ, อ, อตอนแรกเนี่ยสกุลไทยเนี่ยวางสถานะ ของตัวเองเนี่ยคือเป็นหนังสือสําหรับ ผ, ผู้หญิง<ช>พอเป็นผู้หญิงปับ๊บเอ่อถึงนื่องไหมคะก็พอเราอ่านใช่ไหมคะเราอ่านตอนเป็นสาวเงี้ยหลังจากนั้นเราก็แต่งงานมีครอบครัว<ช>คือพัฒนาการของหนังสือก็พัฒนาการตามตามผู้อ่านไปด้วยนะคะก็เลยเอ่อจากความเป็นสาวโซนแต่งงานมีครอบครัว<ช>อ่ะหนังสือก็เริ่ม อะไรเรียกอะไรพอผู้หญิงอ่ยเป็นคนซื้อหนังสือเข้าบ้านนะปกติอันนี้อันนี้เป็นการเคยเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านพูดว่าผู้หญิงนี่แหละเป็นคนซื้อถ้าเกิดว่าเราจับตลาดผู้หญิงได้เนี่ยก็คือเราก็ขายหนังสือได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้หญิงซื้อพอซื้อเข้าไปอ่านอบางทีคุณผู้ชายก็มาจับไปอ่านบ้างแล้วก็มีลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นสกุลไทยก็ต้องปรับเนื้อหาให้ให้มันสอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมายของผู้อา่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่ลมเป้าหมายหลักหรือว่ากลุ่มเป้าหมายรองนะคะก็คื อ, อ, อผู้หญิงสุภาพสตรีแม่บ้านนี่แหล ะ, ะที่เป็นคนซื้อใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีค อ, อ, อลัมน์สําหรับเมื่อก่อนจะมีของ เ, ออเดี๋ยวนะคุ ณ, คณสุภีประสุทธนาวินจําได้ไหมคะที่จะเป็น เ, เนื้ออะไรอะ่ะกระตูนายเล่มนะคะคุณคุณสุภีนี่เป็นคุณพ่อของพี่ท็อปด า, ดารินีนุชใช่ค่ะท่านก็เขียน กระตูนสองหน้าเลยสีนะคะอันนั้นก็อ่านได้ทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็เด็กๆลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคอลัมน์เกี่ยวกับเด็กๆนะคะให้ให้อ่านกันทั่วถึงประมาณนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ครบเลยซื้อมาหนึ่งเล่มเนี่ยอ่านกันได้ทั้งครอบครัวทั้งบ้านอทั้งบ้านอ่านได้ทั้งบ้านจริงๆสมัยเด็กๆเราก็ป้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็อ่านแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่า ที่ฝึกภาษาภาษาไทยอ่ะของเราอ่ะก็คือภาษาดีได้เพราะว่าการอ่านอ่านภาษาสวยๆจากสกุลไทยขณะเดียวกันหน้าปกเนี่ยก็มีหน้ปกพระบรมราชวงศ์พระบรมงสารุงองเกือบทุกพระองค์เลยเราก็ตัดมาจัดจัดบอดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมของของเด็กในยุคนั้นอ่ะครับ เอาละครับวันนี้เราก็เริ่มต้นกลิ่นกันถึงที่มาที่ไปและประวัติของนิติศาสตรสกุลไทยในอดีต ก, กันไปเป็นอพอสมควรแล้วแต่ว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างจํากัดวันนี้เวลาหมดลงแล้ ว, ลวคุณเพ๊ะครัเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าในาแล้วเราก็มาดูความเป็นไปแล้วก็เรื่องราวราละเอียดต่างๆของนิติศาสตรเล่มนี้กันต่อนะครับสําหรับคืนนี้ผมเฉลียิตลลธันแล้วก็คุณ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 Th, หรือติดชมรายการได้ที่ facebook.com/armuttradio หรือทาง l ล n e ออฟฟิเชียล @armuttradio